ออกจากใจของสัตว์โลกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นผิดกับเรื่องที่เหลือคือความโลภความปวดความหลงซึ่งส่วนมากขนจะทุกข์ให้ผิดใจโลกแบบหอบหาบหามจนไปไม่ไหวตมไปด้วยกัน แม้เช่นนั้นก็ยังไม่ยอมเห็นโทษของมันที่เป็นโทษดูเต็มหัวใจสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเลยขอบเขดท่านก็เรียกว่าโลภเลยขอบเขดท่านก็เรียกว่าโกรธเรียกว่าหลงถ้าธรรมดาตามความจำเป็นตามเหตุตามผลที่จำเป็นจะต้องนำสิ่งนี้มาใช้ท่านก็ไม่เรียกว่าโลภ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 าบางอย่างก็เหมือนเหมือนบรรดาตัดเชินอาหารตัดก็เป็นอยู่ด้วยอาหารมนุษย์ก็เป็นเช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังมีผ้านุ่งผ้าหม่มเครื่องอาศัยต่างๆมากมายกายกองตามความจําเป็นของมนุษย์ที่ตามจากสัตว์การสอดส่องหามาด้วยอาการอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นความโลภเป็นความโกรธความหลงถือเป็นธรรมดาของโลกทั่วไป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 เป็นของไม่ดีไม่ดีด้วยเหตุนี้ความโกรกความหลงไม่ดีก็ไม่ดีด้วยเหตุอย่างที่ว่ามานี้ส่วนธรรมมีแต่เครื่องนำออกเป็นเครื่องนำออกท่านเรียกว่านิยานิกระทธรรมเป็นเครื่องนำทุกออกจากสัตว์โลกไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวย่อมจะมีความทุกย่อมจะมีความกระทบ ก, กระทือน ถ้าว่าปฏิบัติผิดตามหลักเหตุผลคืออัดทำ ร, ร, ระหว่างสามีภรรยาก็มีการกระทบกระเทืนอนนู่แต่เร้าวตลอดถึงหย่าร้างกันไปได้นรือรุนแรงยิ่งกว่านั้นก็ได้ถ้าผิดจากหลักธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าหลักธรรมคือเป็นเครื่องดำเนินทั้งที่อยู่ในคาระวะทั้งที่ออกเป็นนักบวชแล้วมีเครื่องดำเนินเพื่อให้การคลองขี้รื้อความเป็นอยู่นั้น เป็นแปลทวกความราบเรื่องดีงามสม่ำเสมอไม่กระทบกระเทือนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความสุขในครอบครัวเป็นความสุขในรายของบุคคลบุคคลเป็นรายายไปนวนแนกตั้งแต่เป็นเครื่องนำทุกข์ออกจากหัวใจของสัตว์โลกทั้งนั้นผูมมุ่งหน้าจะปฏิบัติอัตธรรมเพื่อจะขนทุกข์ซึ่งมีอยู่แล้วา จ, จิตใจออกถึงลางดับนี่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่ง เป็นอีกชนิดหนึ่งแห่งธรรมที่จะเป็นเครื่องนำออกด้วยความรู้สึกอย่างนี้หรือด้วยเจตนาอย่างนี้เช่ น, นการสอนพระที่บวชแล้วมุ่งหน้าต่อการประพฤติ ป, ปฏิบัติรรเรือถอนกิเลสออกจากใจให้พ้นระเสียโดยถ่ายเดียวแล้วการสอนก็เข็มหนวดขวดขันทุกด้านไม่ว่าหลักพระวินยัยไม่ว่าหลักธรรม มีความขจึงวดกดขันเป็นพิเศษเพราะผู้นี้ตั้งตั้งหน้าจะไปจริงๆไม่มีอะไรเป็นสิ่งห่วงใยแล้วมีแต่ตั้งหน้าเดินอย่างไรจะเดินไปด้วยความสะดวกราบรื่นไม่ติดอุปสรรคขัดข้องในระหว่างทางจะดำเนินอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนปัรจุนันการสอนธรรมใหแก่นักบวชและฆราวาสนี้จึงมีความผิดกันแน่ใจว่าเป็นมาตั้งแต่ขั้งพุทธกาล ทันเรีงสอนอนุบุพิกถาคือแสดงทำปรปโดยลำดับลาดับตามพื้นเพของจิตใจที่มารับการอบรมศึกษาจากท่านแล้วสอนทำอย่างเด็ดเดียวเช่นมวกกวดขันแต่นัก บ, บวชหรือผู้ที่ควรที่จะรับทำประเภทนั้นหรือประเภทนั้นได้แล้วจิงต้องสอนแบบเดียวกันกับพระ เราจะเห็นง่าที่ท่านสอนพระนับตั้งแต่ขณะบวชสอนเลยว่าลุกขโมยเส้นาสนาถนังเป็นต้นนะจังไ ม, ม่ไม่ได้ชี้บอกว่านั้นหอปราสานนั้นราชมุนลเทียนนั้นตึกนั้นมีหารนั้นกุฏิสวยงามหรูหราท่านไม่ได้วา่าที่ไหนที่จะเป็นที่ ท, าทําลายกิเลสลงได้สถานที่นั้นเป็นที่เหมาะสมสําหรับพระเพระนาะฉะนั้นพระองค์จึงต้อง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 อเอกอย่างนั้นก็ตามชายป่าใช้เขาตามถ้ำตา ม, ตามอะไรทั้งก็ว่าไปซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่สถานที่มีลักษณะคล้ายถึงกันมาให้ผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกนั้นมีความประมาทในสถานที่อยู่นี่นี่หมายถึงสถานที่สําหรับผู้เช่นนั้นสําหรับผู้มีความมุ่งมั่นอย่างนั้นแต่ว่าพึ่งให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของตนโดยไม่มีอุปสรรคอะไรมาขีดขวาง นิเรศคือความประมาทนอนใจความขี้เกียจขี้ครั่งก็เข้าแทรกไม่ได้เมื่ออยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นเครื่องปลุกสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ตลอดเวลานี่เหรศก็มีทางที่จะหมอบลงไปได้ไม่ใช่มีทางจะกําเริดโดยถ่ายเดียวเพราะนิเหรศเขาก็ไม่ตั้งท่าจะกําเริบโดยถ่ายเดียวถ้ามีเครื่องปรับปรามเหมือนกับโรคก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งหน้ากำเริดให้คนตายโดยถ่ายเดียวถ้ามียาเป็นเครื่องรักษาก็มันมันเท่าหรือหายไปได้เนี่ย เพระอานั้นกับปินิยาโลประโภชนางนิสซ่าอย่าประพฤติอีกแหลยมันมาชาวสมุทรแล้วอาศัยให้อาศัยกําลังปีแข้งของตนคือเที่ยวบินกระบาดขอทานเข้ามากินอย่างนี้เป็นประจําเป็นตลอดชีวิตขอให้เธอทั้งหลายจนทํากรรมมุสาอย่างนี้ตลอดชีวิตเธอน่ะอันนี้เป็นหลักใหญ่ส่วนเุเตก ร, กราชที่เหลือเฟือทั้งขว่าป้ายเห็นมันตนงังสลากรัดตังอุดเดสะพัดตังนี้เป็นตน้นทั้งหลักกระกพัดเป็นเขาในมณฑลฉันท์ที่นอนที่นี่น เป็นของพิเศษเหลือเฟือนะท่านบอกว่าของเหลือเฟือของพิเศษไม่ใช่เป็นของกฎเกณย์ที่เหมาะสมกับผู้ที่จะแก้ที่เหลืทปันหาโดยไทยเดียวคืออาหารที่บินทง บ, บาทได้มามากน้อยไม่ต้องสนใจกังวลกับอะไรทั้งนั้นได้มาเท่าไรก็ฉันเท่าที่ได้มาพอยังชีวิตให้เป็นไปแล้วได้บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกไม่มีอุปสรรคอะไรขัดข้องเลยนี่นี่สคัญในสองข้อนี้ ออกจางนั่นก่อยดูกยาก็ฉันจะดองเลยน้ำมูดแต่ก่อนดูกยาไม่เจริญเนียอยังขีพอไปแล้วการดูของพระผู้รับพระโอาวาสจากพระองค์ท่านด้วยความเทิดทูนนำไปปฏิบัติท่านจะปฏิบัติตนของท่านอย่างไร ถ้ามาไม่ปฏิบัติด้วยความเท er ิดทูลไม่ปฏิบัติด้วยความสนใจใคร่ต่ออัตธรรมจริงๆแล้วท่านจะไม่ไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นท่านไปด้วยความพอใจท่านไปด้วยความสนใจท่านจึงปฏิบัติธรรมด้วยความสนใจไม่เยื่อใยกับความทุกข์ความลํำบากความขัดขัดข้องขัดเขินหรือขัดแชลนใดมีจิตใจกับธรรมที่มีความสัมผัสสัมพันธ์กันไปตลอดสายเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจซึ่งจะเคยมืดดํามาเพียงไรก็ตาม หากได้ถูกขัดเกลารอยู่โดยสม่ำเสมอที่นี้แล้วก็จะต้องมีความสว่างสไยขึ้นมาเพราะได้รับการบำรุงที่เลดที่เคยกำเริบเสิอกอชานมาโดยลำดับลานาตั้งแต่ยังไม่มีสติสตังที่จะหาอุบายแก้ไขเพราะนั้นก็ค่อยๆสงบในสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปโดยลำดับรติปัญญาก็มีทางแกกล้าสามารถขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกันแล้วก็ขัดเกลาร์จิตใจซึ่งเต็มไปด้วยมลทินคือกิ่เลดทั้งหลายครอบคลุมอยู่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 เมื่อเป็นฉะนั้นผู้ที่ไม่เคยบำเพ็ญธรรมจะได้ความสงบเย็นใจมาจางหายแต่เมื่อได้รับพระว่าจากพระพุทธเจ้าทรงประทานให้แล้วนําไ ป, ปพฤติปฏิบัติจิตใจที่เคยฟุ้งเฟอเ้อเหืมมาเป็นเวลา น, นานก็ว่าเห็นมีปัญหาอะไรต้องสงบตัวลงได้ในวันหนึ่งเมื่อจิตใจสงบตัวลงก็เห็นความแปลกประหลาดควมอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยเห็นมาในที่ไนไหน นอกจากจะปรากฏขึ้นในขณะนั้นเท่านั้นนี่เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ท่านท่านมีความตื่นเต้นภายในจิตใจมีความดูดดื่มมีความอัศจรรย์มีความขายันหมั่นเพียรมีศรัทธาความเชื่อความังสัยในหลักศาสานาธรรมเข้าโดยลําดับเรื่องความเพียนก็เป็นมาเองเป็นพลังของการละการไปโดยลํำดับหนุนกันไปเรื่อยๆนี่ทีีน้เรื่องความทุกข์ควอมหมากซึ่งเคยกลัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรหมดไปหมดไปหมดไป เพรความมุ่งมั่นต่อธรรมมีกําลังมากสิ่งเหล่านี้ที่เป็นขวานเป็นหนามหรือ่งเป็นอุปสรรคความกีดขวางทางเดินมันก็ค่อยหายไปหายไปจางไปจางไปก็มีแต่เข็มทิศทางเดินเพื่ออัดเพื่อทำโดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่หมุนอยู่ภายในกิจใจความสงบไม่เคยมีก็มีขึ้นมาความสงบเป็นชั้นชั้นไม่เคยมีก็มีขึ้นมาเป็นขึ้นมา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 ปัญญาความฉลาดแหลมคมก็ไม่เคยคิดแม้จะคิดในทางอื่นก็เป็นเรื่องปัญญาทางโลกภาษีไม่ใช่ปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสเพื่อเห็นความแปลกประหลาดอัศาจรรย์ภณยใจิตใจเพราะอำนาจแห่งปัญญานี้เป็นเครื่องถอดถอนสิ่งที่ไม่สิ่งที่โลกุงรังนั้นออกไปก็ได้ปรากฏขึ้นมาที่ใจนี่ปัญญา แเนตากดขึ้นมากน้อยส่วนกิเลืค่อยหลุดลอยไปด้วยหน้าของปัญญาก็เห็นได้ชัดปรากฏได้ชัด น, นี่ก็เป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาอีกเช่นเดียวกันเพิ่มกําลังทุกด้านเข้ามาอีกเช่นเดียวกันที่จะมีความขยันหมั่นเพียรต่อการพิจิตพิจารณาต่อการค้นคว้าต่อการลื้อถอนทิ่เลืดประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนท่ค่อยหมดขึ้นไปโดยลำหนักลำหนักที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ มันเป็นส่วนผลนั้นด้วนแย้ต้องเกิดเป็นสิ่งที่อัจ จ, จันต์ให้บรรดาท่านทุนปฏิบัติทั้งหลายเดื่มีความกระยินต่ออัดต่อทำคือแดหนึ่งความพ้นทุกข์ไปโดยลําดับสิ่งที่เคยผ่านมามีความยากความลำบากแค่ไหนและสิ่งที่เคยคาดว้กลัวจะลําบากลำบนเพียงไรในอนาคตการมันก็หมดความหมายไปในทันทีทันใดและหมดไปโดยลําดับลํำดั บ, ดบเมื่อทําดังที่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 ไม่มีอะไรมากระทบกระเทือน ย, ยุ่ยแย่ก่อควนกิตใจให้กระเพื่อมขุ่นมัวเราพิจารณาตามหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านดาเนินมาและท่านสอนไวน้นี้ให้เห็นตามความจริงในความเกิด ค, ความตายซึ่งอยู่ในตัวของเราคนเดียวกันนี้ด้วยปัญญาเราจะไม่ได้รับความสุขดังที่ว่านั้นจะมีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนเรานอกจากความจริงกับความสุข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 นอกไปจากร่างกายของเราไม่ในอยู่ในต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่อยู่กับสัตว์หรือบุคคลผู้ใดตัวใดหาักใยญ่จริงๆอยู่กับหัวใจของเราข้าศึกอยู่ที่ตรงนี้ความมืดมนอุณหภูมิอยู่ที่ตรงนี้ที่ทําให้เราโดนกากโดนน้ำไม่หยุดไม่ถอยให้รนะับความทุกข์ความร้อนอยู่ตลอดมานั้นเพราะความโงงเขาบปัญญาด้วยอํานาจของกิเลสที่มันปกคลุมความสว่างคือจิตใจรู้ดวดงปัญญาของเรานี้ไว้เท่านั้นเราจรึงได้โดนทุกขเ์เสมอ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 ด้วยความผาสุกในถ้ำกลางแห่งความแตกความสลายความตายที่มีอยู่ในธาตุในขันธ์นี้ซึ่งทุกชิ้นจะต้องเป็นอย่างนั้นจิตใจของเราไม่ใช่ชิ้นนั้นนั้นพอที่จะสลายตายไปกับสิ่งเหล่านั้นจิตใจของเราเป็นนามธรรมาเป็นธรรมชาติที่รู้รู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญาขัดเราสิ่งที่แทรกถึงอยู่ภายในจิตใจให้เกิดความต้องการต่างๆอันจะเกิดกิเลสหรือเกิดความเพิ่ขึ้นมาได้แกไขหรือถอดถอนอารมณโดยมันหนัก แล้วความรู้ก็เป็นความรู้ที่ล้วนๆที่ไม่มีอะไรเจือปนเลยเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์แล้วจะร่มจมไปไหนสิ่งที่ร่มจมทั้งหลายที่เราํำคัญนั้นเขาก็ไม่ร่มจมไปเป็นความคาดต่างหากธาตุเป็นธาตุคือดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟแม้อยู่ในร่างกายนี้เขาก็เป็นธาตุอย่างนั้นอยู่แล้วสลายลงไปเขาก็เป็นธาตุของเขาอย่างนั้นเป็นไปในธาตุเดิมของเขาเนี่ย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 นี่เราเรียกว่าเป็นตัวของเราโดยสมบูรณเมื่อเราก็เป็นเราโดยสมบูรณ์แล้วสิ่งนั้นก็เป็นอสิ่งนั้นโดยสมบูรณต่างอันต่างสมบูรณแล้วไม่มาแย่งมาชิงดีชิงเด่นชิงสุขชิงทุกข์ของกันและกันต่างอันก็ต่างอยู่ตามขอบเขตในหลักธรรมชาติของตนนั่นแหละท่านเรียกว่าโลกที่มีสุขะโตคือมีอยู่ภายในขันของเรา ขันก็เป็นขันใจก็เป็นใจคือมีอยู่ภายในขันภายในใจของเราต่างอันต่างพิมพต่างอันต่างเป็นสุกอยู่โดยลําทางธรรมชต้นที่มีความรับรู้คือใจอืถ้าขันเป็นอะไรก็เป็นไปจิตจของเราที่มีสติปัญญารอบตัวก็เป็นจิตที่เด่นดวงเป็นจิตที่ไม่ต้องอาศัยพึ่งพิงกับสิ่งใดเป็นอัตโนนาตโห เป็นที่ถึงตองนได้นี่แหละการสร้างที่พึ่งสร้างลงที่ตรงนี้เห็นตามความจริงที่ตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนสาวกผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆท่านทรงสั่งสอนโดยวิธีนี้เพื่อเป็นทางเรื่งรัดตัดตรงแนวไปสู่ความพ้นทุกข์โดยไถ่เดียว ไม่ต้องมาวกมาเวียนให้เสียเวล่ำเวลาทันเป็นสอนบรรลุธรรมเลเซนนาสนังเป็นต้นให้ไปอยู่ที่นู่นที่นู่นที่นู่นทิเลศมันมันไม่ชอบแต่ธรรมะชอบที่นั่นนั่นแหละเป็นสถานที่ปราบปรามทิเลศทั้งหลายได้ความขัดข้องขาดเขินความอดอยากอยากขึ้นโลกทั้งหลายไม่ต้องการทิเลศไม่ต้องการสถานที่นั่นแหละเป็นสถานที่ทำต้องการเป็นสถานที่ทำเจริญ เจริญในที่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็เจริญในที่เชนั้นเป็นพระพุทธเจ้าด้วยในสถานที่เช่นนั้นสาวกทั้งหลายก็เจริญได้ในที่เช่นนั้นพ้นทุกข์ได้ในที่เช่นนั้นการสอนทำแก่ผู้เด็ดดเียวอาจหาที่จะมุ่งความพ้นทุกข์โดยเดียวจึงสอนให้ไปสู่ในสถานที่เช น, นั้นให้บำเพ็ญเช่นนั้นเช่นนั้นเพื่อควาหมหลุดพ้นได้โดยรวดเร็วไม่ต้องเสียเว ล, า, เวลานานมาเกิดมาตายไม้เอาไปฆ่าที่นั่นที่นี่อยู่มยไม่หยุดไม่ถอยจนเป็นเจ้าของอยู่ทั่วโลกทั่วดินแดนว่า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 คือเป็นความดีที่จะสนับสนุนบำรุงส่งเสริมจิตใจให้เลื่อนฐานะขึ้นไปได้โดยลำดำดำําดับๆแม้สอนบุคคลคนเดียวกันเบื้องต้นก็สอนมาตั้งแต่พื้นพื้นแล้วค่อยเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาเช่นเดียวกับเราสอนเด็กท่านมูลชั้นปถมแล้วก็มัธยมปริญญาเลื่อยไปเลยแน่ในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละแต่สอนตา่างวรรคกันตามความสามารถของเด็กที่จะรับความรู้วิชาได้ในขั้นนั้นๆครัวจางก็สอนเลื่อนท่านขึ้นไปโดยลำดำดำําดับๆจนกระทั่ง สุดความสามารถของเด็กของครูที่จะสอนกันนี่นี่พระพุทธญา้าท่านสอนโลกท่านก็สอนอย่างนั้นสอนบุคคลคนเดียวนั่นแหละสอนธรรมะพื้นๆต่อไปก็เลื่อนในบุคคลคนนั้นอีกเช่นอนุปปิกรารฐานห้าอย่างนี้ทานศีลเนี่ยครับสวรรค์เนียนเน่ยข้ามาเื่อๆๆเยเรื่อยๆในบุคคลคนเดียวก็ได้ในบุคคลหลายจําพวกก็ได้นี่แล้วฟังก็ได้รับประโยชน์ไปโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึงอาทินวกถานแล้ยก ให้พ้นไปเลยเป็นว่าธรรมะเป็นเครื่องรื้อถอนเป็นเครื่องหยิบยกความทุกข์ความทรมานใจของสัตว์โลกให้ออกได้โดยลาดับลาดับไม่เป็นภัยต่อผู้ใดไม่ว่าจะเป็นฆราวาสไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีความประพฤติปฏิบัติโดยมีอัตธรรมเป็นเครื่องนำเนินแล้วจะมีความสุขความเย็นใจทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีความเป็นสุดลูกของตนก็ ประพฤติตัวดีนี่ชื่อว่านําทุกข์ออกจากครอบครัวนั้นๆโดยลําดับจนกระทั่งถึงนําทุกข์ออกจากผู้บําเพ็ญทั้งหลายอย่างเร า, เราท่านๆตามความสามารถของตนที่จะเหยียบหยิ บ, ย, บยกทุกข์ออกได้ด้วยอำ น, นาจของสติปัญญาใดในความสามารถของตนก็พยายามดิบเด่นขวัญขวายทําเสียตั้งแต่บัดนี้คําว่าไปสู่โลกหน้า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 นั้นมันไม่แน่เราจรึงไม่ควคาดการหมายเพราะคำว่าทุกนี้มันประกาศกังวานอยู่ภายในตัวของเราซึ่งเป็นโลกนี้ขันนี้เราคนนี้ไม่ประกาศอยู่ในสถานที่ใดการพิจารณาทางสติปัญญาจึงควรที่พิจารณาขุดค้นลงในจุดที่สัจธรรมอยูน่นี้เพื่อเห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วลื้อถอนกันออกได้โดยลำดับจนกระทั่งเป็นใครเป็นเราต่างอันต่างกินนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดและทราบได้อย่างชัดเจน ในหลักธรรมธนวัฒน์สันทิทิโก ร, รู้เองเห็นเองประจันดงเวทิตาโบวินยูหิผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้อย่างพ่อตนเพราะสิ่งที่จะให้ควรรู้ควรเห็นมันมีอยู่กับเรานี้โดยสมบูรณ์อยู่แล้วนอกจากสติปัญญาจะยังไม่สมบูรณ์จึงเห็นเป็นรุ่มรุมดนดอ น, ดอนไม่แจ่มแจ้งตามความกินที่มีอยู่เท่านั้นถ้าสติปัญญามีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วความจริงทั้งหลายนี้จะปราประกาศกังวานขึ้นกับปัญญาทั้งหมดหายสงสัยในโลกทั้งสาม เพราะปัญญาเป็นเครื่องประกาศรู้ตัวภายในของจิตเองนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนมากท่านจิงสอนว่าอัจเชวกิจจะมาตับปังควรทำความภาคเพียรเป็นประโยชน์แก่ตนเสียในวันนี้โกชัญญามะระนั ง, นงสเวใครจะทราบ ว, ว่าความตายจะมีมาในเวลาใด นาฮิโนสร้างรันเตนนามหาเชนินามัคกีนาเรื่องความตายนี้เป็นเซนาอันใหญ่โตมากไม่มีใครจะรัดข้านต้านทานได้ท่ันว่า อ, อย่างนั้นเป็นความจริงลน้วนๆใครเป็นคนที่สามารถต้านทานความตายได้นในโลกนี้ไม่มีป่าช้าเหมือนโลกเขามีไหมไม่มีชื่อว่ารูปว่ากาว่าหญิงป่าช้าแล้วเป็นกองป่าช้าทั้งนั้นอ่าไม่ใช่กองอำนาจแต่เป็นกองปัาช้าไม่มีความอำนาที่จะ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 ดื่มคำก็พอพอใจอยู่เป็นจบอยู่ในกระสุขยิ้มตัวอิ่มใจไม่มีความหิวโหวยกับอะไรทั้งสิ้นเนี่ยหมดความหิวหวยท่านาน่ะนิจฉาโตปริญญบุตเป็นผู้ดับรอบหมดแล้วบรรดาที่เป็นข้าศึกซึ่งมีอยู่รอบใจปรินญผ่านเลยคือหมายคำว่าดับรอบหมดไม่มีจินใดเหลือนิจฉาโตปริญญบุโตความหิวโหวยอะไรทั้งหมด ซึ่งเกิดความหนาของกิเลสมากน้อยสิ้นไปโดยสิ้นเถึงไม่มีอะไรเหลือเลยวิจชาโตโตร็นี้บูโตดับไปหมดขึ้นชั่วความหิวความหิวความกระหายซึ่งเป็นสิ่งรับควรทั้งส่วนร่งางกายทั้งส่วนจิตใจมันดับไปแล้วฉต่พอย่างยิ่งคือทางจิตใจดับไปแล้วความทุกข์จะมีมาจากที่ไหนไม่มีโลกไหนก็ไม่มีทุกข์ถ้าภาณจิตไม่มีทุกข์แล้วไม่มีโลกไหนจะเป็นทุกข์ นี่หมายถึงว่าไม่มีโลกไหนจะมาทำปิติของเราให้เป็นทุกข์ได้นอกจากกิเลสเท่านั้นที่ทําความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกมีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกนี่แหละมีเท่านี้แก้ตรงนี้แล้วหายสงสัยทั้งหมดไม่ต้องไปเที่ยวดูโลกนั้นโลกนี้ก็ได้ทราบอยู่ภายในใจิตใจของตอนเองนี่เป็นสิ่งที่ประจักษ์ธรรมะท่านสอนลงที่นี่นี่แหละธรรมที่ว่าเป็นเครื่องแก้ทุกข์ให้สัตว์ลดถอดถอนทุกข์ให้สัตว์โลกโดยไถ่เดียวนั้นประมวลมาแล้วถอดถอ น, ถอนที่จิตใจนี้ ให้หมดโรยสิ้นเชิงก็ได้ด้วยอํานาจแห่งธรรมนี้เท่านั้นไม่มีอํานาจใดที่จะเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์ไดเศียสามารถที่จะถอดถอนกิเลสออกจากใจสารโลกได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกับธรรมของพระพุทธเจ้าดันั้นขอให้มีความหนักใจว่าธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องที่จะถอดถอนกิเลสกองทุกข์สลายออกจากเราได้ตั้งแต่ส่วนย่อยจนถึงส่วนใหญ่จนถึงถึงส่วนและลเอียดสุดคือภาน จ, จิตใจที่เรียกว่าอาวิชชา วันนี้จะทำทั้งนั้นถึงเครื่องหืดถอนหือถอนมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่คารวาสเย่าเรือนมาถึงนักบวชนักปฏิบัติกำจัดมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงการดับชนิดฉาโตกรนีบุโตที่ทกล่าวมาจึงขอวิจิตธรรมเพี่งนเท่านี้น